การดูรูปนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะดูเอดูดูความสวยอย่างเดียวบางทีมันไม่พอใจก็มีทําไม่ถูกอทําไม่ถูกใจก็มีนี่คือสามเนี็ดที่การกระทบกระทั่งอย่างนี้แหละเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอที่มันเกิดขึ้นกับเรากับกายกับใจเรานี่ยแหละแต่ว่าถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเราจะรู้ทันมันรู้ทันรู้รู้ทันอที่มันมากระทบถ้าเราไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็มีปัญหาอ มีปัญหาอย่างไรก็มีปัญหาคือความทุกข์นเนี่ยเนะขามาดา่าด่าแล้วก็เก็บไปในใจมันด่ากูอมืมันมาเห็นใจกูไม่รู้ว่ากูเป็นกูอ่ขอบไปแล้วทีนี่เกิดทุกขนะ์ความทุกข์ตัวนี้พระพุทธเจ้าจัดเป็นภยัยจัดเป็นภัยของมนุษย์ีความทุกขนะ์นี่ยจะเป็นภัยชนิดหนึ่งนะคือทุกทางใจเนี่ยฉะนั้นถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนั้นเราจะเห็นทันทีเขามาดา่าปั๊บเห็นปั๊บ คือว่าเห็นอารมณ์ถ้าเราจะพูดอย่างหนึ่งว่าการเจริญสตินี้เพื่อเข้าไปรู้อารมณ์หรือว่าสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นกว่าเราไม่ใช่อย่างอื่นนะคือเอาชนะตัวเองไม่ใช่ชนะคนอื่นเนี่ยถ้าอนั้นเราทำไปบ่อยๆหรือปฏิบัติไปบ่อยๆไม่หยุดไปเรื่อยๆเถอะรับรองว่าไม่ขาดทุนบางคนก็เดินในกรมเดินไปในมาโอ้ไม่ได้อะไรหรอกไม่รู้ว่าอะไรอย่าลืมนะ หลวงปู่ของเรานี่ปฏิบัติต้องแต่เป็นโยมอหลวงปู่เทียนตัง้งแต่เป็นโยมแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เป็นได้หลายหลายหลายปีอย่างอาจารยมาเนี่กว่าสิบกว่าปีสิบแปดปีก็สิบเก้าปีนี่เ น, นี่ยก็ก็ ก, ก็แค่นี้นะก็แค่นี้แต่ก็ก็ไม่เป็นไรไม่เอาควมามไม่เอาความนานหรือว่าควมามสิ่งที่ผ่านมาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปัใจจัยให้รู้ แต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดะสมมติเราไปบ้านอย่างนี้เราไปบ้านเราก็มีการเคลื่อนไหวอยู่เห็นไหมเราอาจจะเข้าห้องน้ําก็ได้อาจจะทําอะไรก็ได้ตามหน้าที่ของเราที่มีอยู่เราก็รู้ไปด้วยก็ได้เจริญสติไปด้วยก็ได้นะนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันบางทีเป็นกระทกระทั่งขึ้นมาเราเห็นเราเข้าใจนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันไม่ใช่อย่างอื่นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะไปสร้างจังหวะอย่างเดียวเดินโยคมืออย่างเดียวอ่า อย่างนั้นไม่ใช่นี่เรามาที่ามาเรามาปาลกเฉยๆมาเอาวิธีการเฉยๆเอาวิธีการไปใช้เมื่ออยู่บ้านอยู่ช่องเราก็เอาไปใช้กลับบ้านกลับช่องได้สบายเลยนี่คือผู้รู้จักคือการปฏิบัติการทำอย่างต่อเนื่องเราจะเขียนหนังสือก็ได้เราจะล้างซามหรือเราเข้าห้องน้ําแล้วก็มีสติ อ, อรู้อยู่บางทีมั น, น อ, า อ, าอาจจะอาจจะนานๆทีรู้ก็ช่างแต่เราพยายามทําให้มันรู้อยู่รู้บ่อยๆทําหำบ่อยๆคือทําไม่หยุดนะ หรวาวิ่งไม่หยุดนี่เขาว่าต่อเนื่องวิ่งไม่หยุดออย่างบางคนก็บอกว่าครูบาอาจารย์ไม่ค่อยมาเดินโยมกลมด้วยไม่ค่อยมาสร้างจังหวะด้วยไม่เห็นมาปฏิบัติธรรมเลยอย่างนั้นก็ก็ใช่อยู่แต่ว่าบางครั้งบางคร า, าวท่านก็ดูใจท่านมากอย่างบุคคลไหนที่ปฏิบัติธรรมมาหลายปีท่านอาจจะดูอารมณ์ก็ได้อารมณ์ที่มากระทบกระทั่งท่านอาจจะเห็นบางทีท่านอาจจะไม่มาเดินโยมกลมอย่างเรามาสร้างจังหวะอย่างเราก็ได้ แต่ที่ท่านที่มาพาเราทำนี่ก็ว่าเป็นตัวอย่างให้กำลังใจของเราเท่านั้นก็ได้ผู้ที่รู้สูงขึ้นไปอีกหรือเข้าใจไปอีกเขาก็จะดูใ จ, ด, ใจดูใจได้คือว่าดูความคิดพู ด, ดง่ายๆแต่ว่าเราที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราดูความคิดไม่ได้จำเป็นเราจะต้องอาศัยการดูกายก่อนเมื่อดูกายแล้วก็เห็นใจเพราะว่ากายนี่มันดูง่ายการดูกายก็คือเอาสติมากำหนดหรือเอาใจมารู้ในเวลาเรายกกันเอง คือว่าควบคุมว่มาให้มาอยู่ที่นี่อยู่ที่มือนี่อนาการยกเขาาก้ายกออกให้มันคิดนะก็ดึงเข้ามานี่ให้มันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเป็นหนึ่งเดียวแล้วความคิดที่มันพุง่งสร้างหรือิดที่พุ่งสร้างมันก็มันก็บรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นพลังอคือพลังพลังที่จะต่อสู้กับอ่ากับข่าศึกเหมือนกับคนเราเนี่เมืองไทยของเราเนี่ถ้าขาดโครงสามมือขีแล้วก็ก็สู้ข้าศึกไม่ได้ พลังของจิตของเราเหมือนกันถ้าจิตไม่มีหลายดวงก็สู้ไม่ได้สู้กับอำนาจคือกีดกัไม่ได้เพราะมันแย่งกันอย่างไรล่ะกูก็ใหญ่ใหญ่มึงก็ใยา่ใหญ่กูก็ใหญ่ใหญ่มันก็เลยวุว่นวายถ้ารวมจิตทุกดวงมามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็สามารถมีพลังพลังอำนาจทางจิตก็คือกาจิตที่ของเร า, เาร ท, เที่เป็นสมาธิหนึ่งเมื่อจิตที่เป็นสมาธิก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาปัญญาตัว น, นี้คือปัญญาที่รวมพลังของจิต ที่เราได้ที่เราได้มาจากการเยสติเป็นหนึ่งเดียวที่กับในอ่าพระสูตหรือว่าในอ่าอะไรที่นางอะไรนางอะไรไปถามปัญหากับพระสารีบุตรนางชมพุหรือนางอะไรที่เอาต้นว่าไปปักเอาไว้บวชแล้วก็ปักเอาไว้ปักเอาไว้ในกองทรายถ้าใครมาทํากองทรายออัน่ามาทํากองทรายนี่ออกหรือเอาต้นว่าออกจากกองทรายก็ มาโตวาทีกันมาตอบปัญหากันพอดีในครั้งนั้นก็เป็นเป็นนักบวช ด, ด้วยนะนางคนนั้นนะเป็นนักบวชเป็นปริภัยโจกด้วยแต่เป็นผู้หญิงก็สแสวงหาอาหารเหมือนกับเราเลยนะ่ะเขาว่าโคจัละโคจัลละคือโคจรนสมัยนั้นว่าโคจัละสมัยนั้นว่าสแสวงหาเหยือ่อล่ะหาเหยือ่อพอดีวันนั้นก็เลยพระสารีบุตรก็ออกจากทานใหม่ๆก็เลยออกบินทบาทพอดีก็เลยไปเห็น เห็นเด็กมันเล่นอยู่เล่นกองทรายเล่นอะไรอยู่แต่ว่ากองที่นางนางออนักวดผู้หญิงคนนั้นทําไว้นั่นเด็กเด็กคนไม่กล้าเล่นอเพราะว่าถ้าถ้าเล่นแล้วก็ได้เรื่องเลยพอดีพระชายาดบุตรก็เลยว่าอ่าหนูทําไมเธอไม่ได้ไมาเล่นกองนี้หน่ะกองทรายกองนี้มาทำไมไมาเล่นบอกเด็กมันก็บอกว่าเล่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเล่นแล้วก็ได้เรื่องพอดีก็พอเห็นล้พระชายาดิบุตรก็บอกว่าเอาเล่นเถอะ เรารับผิดชอบพอดีก็เลยเด็กมัก็พาไปเล่นเล่นพอดีนางก็นางนั้นก็บินบัตรออกมาพอเจอพอดีเกจอแล้วก็บอกว่าใครให้พวกเธอมาเล่นอ่ากองทรายที่เรากองเอาไว้ก็บเด็กมันก็บอกว่าพระเทละพอดีพระเถลละก็คือภาษาดีบุตรนั่นแหละบดีนางก็เลยบอกว่าขอตัววัตถีแต่มีข้อแม่ใหญ่หนึ่งว่าถ้านางนี่นะตอบปัญหาพระเทละไม่ได้ก็จะยอมเป็นศิษย์จะยอมเป็นศิษย์นี่นี่คือคือความความในใจของนาง นางนางนักบวชคนนั้นอ่ะพอดีพระสาริบุตรก็บอกว่านับ ก, กันเจ็นนับ ก, กันสอบปัญหาะแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องนับ ก, กันใหม่ก็เลยนับ ก, กันแล้วก็เลยไปสอบปัญหาสอบปัญหาในคงจะสอบปัญหาที่ไหนก็ไม่ทราบแตที่นั่นนะ่ะเนาะที่สอบปัญหาเนาะเพราะมันเป็นนิทานเนาะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะแต่มันมก็นก่อนนานมาแล้วพอดีก็พระเทวราชพระสาริบุตรให้นางปริภัชยชาวคนนั้นตอบก่อน นางปุถีพาชกคนนั้นก็หารู้ไหมว่มาภาษาลิบุตรได้จบมาแล้วอจบมาแล้วเขาเรียนอยู่ที่สำนักของอสันเซยปุถีพายชกมาแล้วนางไม่รู้นางก็ถามมันหาก่อนถามไปถามไปไม่มีข้อไหนที่ภาษาลิบุตรจะตอบให้ได้เพราะว่าเพระาะภาษาลิบุตรนี่เป็นคนที่มีปัญญามากเกียแบแหลมมากนางถามอะไรก็ตอบตอบตอบต่อไปจนนางนั้นหมดคําถามหมดคําถามอเอาละหมดแล้วก็ พระเทละคือพระสารีบุตเอาเราขอขอถามเธอมากนางอางพอดีว่าถายไฟนั้นให้โอกาสก็เลยพระาสารีบุตก็เลยถามว่าอะไรเป็นหนึ่งอะไรเป็นหนึ่งนางก็ตอบไม่ได้พอดีนางนั้นก็เลยมาขอเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรจนได้บวชในทางพุทธศาสนาเนี่ยเพราะเพราะพะอะไรเพราะพร ะ, พระสารีบุตรไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เฉลยปัญหาในตรงนั้นบอกว่าถ้าเธออยากรู้เธอต้องมาบวชมาปฏิบัติธรรม แล้วเธอจะรู้เองอะไรเป็นหนึ่งในสุดนานั้นก็มาปฏิบุริปฏิบัติทำามาทำโคมเพียรในสุดก็ไม่ต้องมาถามมาสรุตปว่าอะไรเป็นหนึ่งเพราะเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมาถามว่าอะไรคือคือหนึ่งเข้าใจเองนะก็คือจิตที่ที่เป็นหนึ่งนั่นแหละเป็นจิตที่มีพลังพุทศาสนาสอนพุทธิยานของเราตัดสิรู้เรื่องจิตตัวไหม่ทั้งว่าจิตที่มีพลังจิตที่สามารถเอาชนะกิเลสได้ นะถ้ากิจของเราเป็นสมาธิกิจของเราเป็นหนึ่งแล้วมีความรู้สึกตัวและเป็นหนึ่งแล้วก็มีพลังมีอำนาจที่จะไปต่อสู้กับกิเลส ท, ที่มันจะมามาสู่กิเลสใจของเราได้อย่างอย่างแน่นอนนะฉะนั้นการเราเพื่อปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องทําเนะี่ยเพราะว่าถ้าไม่ทํามันได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันคือมันได้ทุกถ้าทําแล้วเราก็ได้เปมนกันได้อะไรได้กิเิสสติได้กิเิสสมาธิได้กิเิสปัญญา เมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสมาธิเมื่อเรามีปัญญาแล้วสติสมาธิปัญญาก็รวมกันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวคือช่วยกันอคือช่วยกันเขาเรียกว่าคนเดียวในหัวหายสองคนใ่เพื่อนตายถ้าสามคนสบายอเนี่ยเข้าใจงั้นนะฉะนั้นเมื่อเร า, ามาเจริญสติได้อย่างนี้แล้วแล้วสิ่งที่เราได้นั้นก็คือผลงานของการเจริญสติแต่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่สิ่งไม่ไม่ใช่ข้อไม่ใช่ของ อ่เป็นสิ่งที่ประเสริฐประเสริฐจนทําให้ผู้เจริญสติผู้มาเจริญนิพพสนากรรมฐานนั้นเป็นถึงพระอริยบุคคลแล้วก็เป็นถึงพระอรหันต์ในที่สุดอย่างพระพระทะุทธเจ้าหรืออย่างพระเทพระ่าสาวกของพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐเพงแค่นั้นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยแต่เราก็ไม่ถึงแค่นั้นก็ได้ไม่ต้องถึงว่าเป็นมระสารีบุตรหรอกแต่เป็นว่ารู้ตัวเองก็พอ รู้ตัวเองก็พอพอแล้วไม่ต้องเป็นพระอนาคามีพระสัระธาามีพระอรหันตมัคคอรหันตผลก็ไม่ต้องเป็นก็ได้เป็นเรานี่ยเนะเขามาด่าว่าเป็นหมาเราก็ไม่ได้เป็นหมาเป็นเราเขามาเขาเขามาว่าผีบ้าเราก็ไม่เป็นเป็นบ้าเป็นเราเห็นตัวเราคือเราเห็นพระคือพระเห็นเนนเนรเห็นพ่อคือพ่อเห็นแม่คือแม่เห็นครูบาอาจารย์คือครูบาอาจารย์ไม่เห็นครูบาอาจารย์เป็นคู่รักอ่ะ แม่คีก็เหมือนกันนะหรือว่าใครก็แล้ว เ, เต่แหละเห็นครูบาอาจารย์ลุกหลออๆเขาสั่งห อ, งองกัอย่างเงี้ยอตาส้มตาหวานเนี่ยอาจามาก็ไม่รู้จังว่าส้มมันส้มมันหวานนั้นเป็นยังไงเขไม่รู้จักแต่ถ้าส้มก็ว่าถ้ามะม่วงก็ส้มแน่อ่าถ้ามะละกอ ก, ก็คงจะหวานแน่นี่แต่ที่เขาว่าตาส้มตาหวานไม่รู้เขาทำยังไง ไม่รู้จักนี่ไม่แน่นะ น, นะถ้าเรารู้ตัวเองแนละ้วเราเราจะรู้คนอื่นด้วยแต่เดถ้าวันนี้เราเราเราไม่ได้ปฏิบัติเราเลยไม่รู้ตัวเองอเลยไปติดในสิ่งที่ที่นอกตัวเห็นอาจารย์รูปหล่อหน่อยก็ไปติดอาจารย์โอ้อาจารย์คนนี้เห็นอาจารย์สงบสงบ่ยมเดินก็สวยยิ้มก็สวยพูดก็ไพเราะอ่าเอาแล้วที่เนี่ยโอ้คงจะบรรลุเนะี่ยติดต่อยอรลอยห้อ ย, อยตามไป เดี๋ยวดันีก็ปูที่นอนให้กางมุ้งให้ซักผ้าให้เอาโอเันตินเอาน้ำร้อนน้ำชาไปส่งถึงกูติบ้างอะไรแต่ทีน่ะเอาไปมาอาจารย์ที่สวยๆนั่นก็เลยสบายไปเลยออืเนี่ยเป็นอย่างนั้นอนะ่ะแต่คนไหนที่ไม่ถูกใจอย่างอาตมาเนี่นก็เสจเลยเสพแล้วไมได้กินอะไรหรอถ้าอยากจกินก็ส่งไปยังโอเบนตินก็ไม่ว่ากันส่งไปยังก็ได้ไม่ว่าทําได้ หนูทําได้สบายมากถ้าหิวก็สง่ ง, สงเราเองโกมตินก็ท่งเราเองนนี่แหละคือว่าถ้าเราไม่รู้มันก็ไปดูมันก็ไปไปติดสิ่งภายนอกสิ่งสวยๆงามๆที่มันเป็นกิเลสที่มันเป็นกิเลสแม้แต่ความสวยก็เป็นกิเลสแม้แต่ความงามก็เป็นกิเลสถ้าความไม่สวยไม่งามเป็นอะไรเป็นกรรมฐานท่าพุทธเจ้าบอกว่าสาุภกรรมฐาน เจสาโลมานขาทันตาตาโจใช่ไหมล่ะมีพระพุทธเจ้าบอกให้กรรมฐานเขาเลยมูลลกรรมฐานเจสาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยเจสาก็คือคืออันนี้แหละคือผมเนี่ยไม่แต่พระเอาเราบินสบายเห็นผมเขายอมเขาอะไรไว้ผมยาวหน่อยก็โอ้ผมสวยออยากเหโลกูปแบบจะคำ้ำสวยออืนนน เ, นอนเนี่ยนี่ยังไงก็มาเผย่าฝันอ่ะ เขาใส่บาตให้ก้อนข้าวค้ามข้าวนะอ้ข้ามข้าวคนนี้เราเอาเอ า, เอาใส่บาตให้จำเอาไว้มาเขาหย็ดตรงนี้แล้วก่อนอ่เพื่อเป็นศรีมงคลเนี่ยเราเห็นตรงกันข้ามหมนเลยอเห็นผมก็สวยก็สวยอ น, นี่เขาอาเจียสาโลมาขนที่นี่ขนก็หมายถึงว่าขนตามนี่แหละ ต, ตามเนื้อตามหนังของเราขนก็สวยนิ่มห น, น่าสมัมผัสเนี่ย ใจมันเอาไปแล้วนี่มันเห็นงานไม่หมดไลยอ่าโลมานักขาเห็นเล็บเล็บเพราะปลาเขาก็ทำเล็บสวยคนเขาใส่ข้าวอหอเล็บสวยแดงจังอือใช่ไหมล่ะไหนมันเป็นยังไงนะอ่านักขาทันจาทันตาทันตาเป็นทังฟันของเราเนี่ยแค่ของเรานี่ยเขายิ้มออกมามขาวจังเนี่ยมันได้สวยไม่หมดเขสาโลมานักขาทันตาตะโจหนังก็เหมือ น, อ น, าา น, น ก, ก, กัน หนังคนเราเนี่หนังเนี่ยคนเร า, เ น, น, า น, น, เ น, นี่มีหนังห่มเอาไว้แล้หนังคนนี้นิ่มสวยขาวเหลืองแล้วแดดแล้วแต่จะพูดไปพระพุทธเจ้าบอกให้เห็นเป็นของไม่งามถ้าเห็นเป็นของไม่งามแล้วเป็นกรรมฐานเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เราจะได้มีมีใจเป็นสมาธิคือไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไม่ไมปยุ่งเกี่ยวที่นั่นผมงามวันช่างลงเถอะเดี๋ยวมันก็ขาว ขนงามเขาเชี่ยงมันเถิดเดี๋ยวมันก็หลุดก็ร่วงอย่างขนตักแร้ของเราเนี่ยขนรูจมูกเหมือนกันขนไตลมผ้านอกผ้ากัแล้วแต่ก็เรียกว่าขนนั่นั้แหละมันก็หลุดก็ร่วงเหมือนกันนานไปมันก็แดงไม่แดงมันก็ขาวหัวงอกขนงอกบ้างหัวงอกบ้างอะไรก็แล้วแต่จะพูดกันไปนี่มันเป็นสิ่งที่ว่าไม่แน่นอนเป็นของโมเลกุลใช่ไหมล่ะถ้าเรามองเห็นอย่างนี้เรามันก็สบายใจสวยก็แค่นั้นแ่ะผมงามก็แค่นั้นแหละ ใช่ไหมล่ะถ้าเราดูได้อย่างนี้เขาว่าเป็นผู้มีอ่ะเป็นผู้เป็นผู้มีกรรมฐานเป็นในตัวนดังนั้นเราที่เรามาจเจริญสติเราจะเราจะเห็นอย่างนั้นเนี่ยครั้งแรกมัเห็นมันเห็นสวยแต่แล้วเมื่อเรามาพิจารณาหันมามองดูตัวเราแล้วมันจะกลับกลับว่าไม่สวยถึงมันจะสวยก็แค่นั้นแหล ะ, ะมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไระถ้าว่าโ้คนนั้นสวยผมก็สวยตาก็สวย แต่โมก็สวยอะไรก็สวยมันมาปรุงแต่งก็อยากเกะได้เมื่ออยากเกะได้ก็ก็ทํำยังไงนะ่ะก็มาฝันเราฝัน <c oughs> ก็นเรียกว่าพระนี่อะไรหรอเพื่อนวัยนี่กัพระนี่กัได้กินดอนฝันต <c oughs> อ, อมาฝันแล้วเมอเพื่อฝันไปอสมัยก่อนอาจามากจะค่อยฝันนะอ่าเป็นโยมนี่เป็นหนุ่มนี่ค่อยฝันฝันเราไม่รู้ว่าไปรักใครคนหนึ่ง พอรีลักแล้วเขาก็บอกว่าเอาเขาบอกว่าเขาก็รักเหมือนกันการแล้วจะไปมือสัมผัสไปแล้ว ม, มันรู้สึกตัวก่อนคนนึกขึ้นมาโอ๊ยเสียตายจังเลยนร <c oughs> ืว่าจะจับจับยังไม่ได้จับอคนทคนแก่เขาบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นต้องอพลิกหมอนบอกว่าพิกหมอนนอนใหม่ก็เลยก ล, กลับมาก็เลยพลิกหมอนมันก็เลยไม่ฝัน อ, อีกอ่ะเไม่จริงก็เลยเสียดายนี่นี่คือว่า มันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราถ้าถ้าเราไม่ไม่คิดที่ว่ามันมันจะเป็นอย่างนั้นเราก็ถ้าเราไม่เจริญสตินี้ไม่เป็นไม่เป็นถึงเป็นก็ไม่ถึงกับว่ามาปรุงปรุงแต่งห้องกิจนี้การเจริญสติจึงเป็นเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องทําให้มันได้เมื่อได้แล้วเราจะได้อ่าได้อะไรคือคือได้ใจของเราไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งไม่ต้องเสริมเป็นธรรมชาติเป็นปกติเป็นปกติอย่างนั้นเองไม่ได้เสริมไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งชีวิตที่แท้จริงไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่ง คือความสุขถ้ามีการปรุงกันแต่งแล้วก็สุขไม่ได้นะสุขไม่ได้จริงๆเพราะมันปรุงมันแต่งนะเหตุนั้นการเจริญสตินี่น่ะเพื่อจะจะไปตัดความปรุงแต่งของจิตให้มันได้ีนะ่ยสมัยนี้นะ่ะยิ่งแล้วมันมันมีหลายๆอย่างมีทีวีบ้างมีรูปอะไรโฆษณาอะไรหลายๆอย่างจิตของเราเีือไปข้องแว่นนะ่ะมันมีเยอะมีเยอะจริงๆยกตัวอย่างคนสมัยนี้นะ่ะผู้ชายก็เป็นผู้หญิง ผู <palm kw z ai> ้หญิงก็กลับเป็นผู้ชายเคยเห็นไหมผู้ชายใส่แอกก็ไม่เจาะด้วย่ะเจาะหัวนี่ยเจาะข้างเดียวซะด้วยมีคนหมายเลยนะเจาะข้างซ้ายไม่รู้ว่าเขาคนหมายเป็นยังไงแล้วก็เขนก็เจาะข้างขวาไม่รู้คนหมายเป็นแล้วก็ไว้ผมยาวด้วยแล้วก็ทาปากเป็นผู้ชายเพราะว่ากิจของเรานั้นมันมันไหลไปกับไปตามกระแสของโลกะผู้หญิงก็จะเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงก็ใส่กางเกงน้องพ่อสูงก็ไม่เป็นอ่เนี่ยแล้วก็ชอบเที่ยวชอบเที่ยวด้วยเพราะอะไรเพราะว่า โลกของเราเนี่ม <rare S 1> ันมันอยู่ในโลกของกรมามคุณมันไม่ได้อยู่กับโลกของโลกาภิวัตมันอยู่กับโลกแห่งกรามคุณหรือว่าโลกแห่งความริบัติเนี่ยเพราะเราไปติดในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไปติดแล้วจิตใจของเราไปพรุงแสงไ่ปรุงแสงแล้วก็ลืมสภาวะที่มันมีอยู่กับเราคือปกติของจิตใจเมื่อลืมสภาวะตัวเองแล้วก็ไปไปคั้วสิ่งอื่นสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราเช่นการรักเขารักเขา ทั้งในเขาก็รักสอบต่อมาเขาก็เบื่อเบื่อแล้วเขาไม่นักสอบแล้วเราก็มาทุกข์ไม่เห็นใจกันเลยไม่น่าจะทำกันได้ร่คอเลยคิดถึงเขาไม่เห็นใจเขาเลยแล้วเราคิดไม่ว่าเราเห็นใจเราเปล่าเราเห็นใจเราไหมเมื่อเราไปเห็นใจเราแล้วคนอื่นเขาจะมารู้จักใจเราได้เราได้ยังไงเนี่ยนี่คือเราเราเราียนสภาวธรรมถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเราจะเห็นขัดเกนขึ้น ถ้ารเรามันปฏิบัติเห็นจริงๆด้วยอย่างผมเองเนี่ยทำไมเองเนี่เห็นเห็นจริงๆเห็นว่าเขามาด่าก็ไม่ค่อยช่างเขาเขามาว่าอะไรก็ช่างเขาเราก็ดูใจเราเอาเอา้ามึงดา่ากูช่างเถอะกูก็ดูใจเราดีกว่ามันสบายแต่โดยมากเราดูใจเราไม่ได้ถ้าเขาดา่าเราก็ไปดูคําด่าของเขาถ้าเขามารักเราเราก็ไปลงไรกับเขาเมื่อลงไรแล้วเขาเขาไม่สนองตอบเราเราก็เสียใจซะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยโลกนี้ก็ตกอยู่ในสภาวะที่ว่าไม่น่าไว้วางใจนะเมื่อเราเป็นตัวของตัวเราแล้วเมื่อเราในมาเจอสติจริงๆแล้วเราจะไม่เห็นเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นตัวเราไม่เห็นเป็นอย่างอื่นนี่คือสัจธรรมเห็นเห็นเป็นตัวเราเขาว่ายังไงก็แล้วแต่เขาเขาว่าว่าแล้วก็ไม่ว่าเขาว่าเป็นหมาแล้วก็ไม่ได้เป็นหมาเราก็คือตัวเรานี่แหละ พรเราเห็นตัวเราอยู่เรามีสติดูจิตดูใจของเราอยู่อคือใจของเราก็ไม่ไม่ไปบันทึกกับคำที่เขาพูดเขาด่าเขาอะไรเราเราเห็นอย่างนี้พอจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีพลังสามารถที่จะต่อสู้กับสภาวัฏธรรมน์มันเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนได้อย่างฉับพันอย่างแน่นอนดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือาพาอาาระอรหันต์ทั้งหลายท่านเลยว่าท่านรู้อารมณ์เหมือนกับพระปฏิเจกาพพุทธนี้รู้เท่าทัานสังขาร คำว่าสังขารมายถึงว่าจิตที่มันปรุงเถืกปรุงแต่แต่ว่าพระเจ้าบุคคลท่านรู้จักรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้มันหามันก็เลยไม่เกิดขึ้นเมื่อมันหาได้เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็ไม่มีจิตของเราก็เลยเป็นจิตที่มีพลังจิตที่มีอํานาจอจิตที่ได้ฝึกอย่างที่เขาว่าจิตที่ฝึกดีแล้วก็นําความสุขมาให้อย่างนี้นี่เป็นคําที่เขาพูดกันแต่ว่าที่เอาจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปรู้จักว่ากับบาลีก็ได้ รู้เฉพาะที่มันเกิดขึ้นกับเราพระพุทธเจ้าว่าอยากจะมารู้เข้าใจไปดกก็รู้ก่วงศอกยาวานะคืบก็มีใายกับใจของเราเท่านั้นเองเฉะนั้นการเอาพุทธปฏิบัติจริงว่าเป็นสิ่งที่เราคืต้องทำครูบาอาจารย์ท่านก็ทำท่านก็ได้ของท่านยังอาตมาทำเป็นมาก็ได้ว่าะอาตมาไม่ได้เกี่ยวกับโยมอแต่ที่พูดนี่ก็พูดเพื่อว่าให้ให้โยมเข้าใจให้โยมได้ปฏิบัติะไม่ใช่ว่าพูดให้บรรลุนะไม่ใช่อย่างนั้นนะพูดให้ฟัง ฟังแล้วก็ไปปฏิบัติ <ew> ไม่เอาไปปฏิบัติก็ <ew> ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน อ, องค์อื่นมาพูดก็จึงเอาก็ได้ถ้าอาตมาพูดไม่ชอบใจก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันไปเอาองค์อื่นก็ได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ก็มีเยอะอ่ะชอบใจองค์ไหนก็ข้อหาเลยนะอาจารย์ศักดิ์ก็ข้อไปหาท่านเลยนะรูกรอรอแต่ว่าท่านพ่อท่านไม่มีนะพ่อไม่มีนะพ่อท่านก็เสียแล้วแม่ก็เสียแล้วอย่งอาตมาเนี่มีครบเลยอืม มาก็ได้ทั้งปู่ทั้งยา่าทั้งตาทั้งยายด้วยไปครบเลยถ้าไปหายาติหนังสักแล้วไม่ครบนะพ่อทัานเสียแล้วแม่ทั้นเสียแล้วรับรองเลยเนี่ยนี่เขพูดให้ขมขำไม่เชิงหรอกแต่ที่จริงเขาเป็นอย่างนั้นดอกนี้คือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็หวังนกับเราที่ว่าจะให้เรารู้จักเข้าใจตัวเองะไม่ได้หวังอย่างอืงอ่นไม่ได้หวังในตัวผู้ปฏิบัติหวังให้ให้เรานี่เข้าใจนหวังให้ให้เรานี่สบาย เมื่อเข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่มีปัญหาการมาเพื่อปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหลังปีนี้หรือว่าอ่เดี<ม>๋ยวนี้เหมือนกันเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รู้จากว่าหลวงพ่อเทียนนี่หลวงปู่เทียนนี่สอนเรื่องอะไรไม่ต้องไปถา ม, มไม่ไม่ได้เห็นหน้าท่านก็ไม่เป็นไรมไม่ต้องเสียใจอย่างที่เราประพฤ่อปฏิบัติหรือเคารพปู่ชานี้มีใครเห็นหน้าพระพุทธเจ้าบ้างไม่มีมีใครเห็นหน้าพระสารีบุตรบ้างไม่มีแต่เราก็สามารถรู้ทำรู้ธรรมะ หรือรู้รู้ศาสนาได้ทั้งทั้งที่พุทธเจ้าของเราบอกว่าบริญิพานไปตั้งอสองพันกว่าปีไปแล้วหรือสามพันกว่าปีไปแล้วบางคนก็มาน้อยใจว่าไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อเทียนหลวงพี่ของเราเทำกันท้าบวชใหม่เด็กทูบายจันที่ไม่ได้เห็นหน้าหลวงพ่อเทียนก็ไม่เสียใจอย่าไปเสียใจถือว่าหลวงพ่อเทียนนี้แท้จริงก็คือว่าหลักปฏิบัติที่หลวงพ่อวางเราไว้แล้วเราบุ้งปฏิบัติตามแล้วเราจะรู้จักหลวงพ่อเทียนมากขึ้นนี่คือทัศนะที่ว่าเรามาบูชา เดอปฏิบัติตามรอยของหลวงปู่เทียนของเราตัรว่าหลวงปู่เทียนของเราก็เป็นบุคคลที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจรู้หนังสือด้วยรู้การปฏิบัติ ด, ด้วยอรู้อรู้สภาวะของท่านเองด้วยแล้วเราก็สามารถที่ได้มาเป็นพยานในหลายองค์ครูบาอาจารย์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลวงพ่อมาก็รู้สึกว่าอยู่ได้อยู่ได้สบายมาตลอดถึงอเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าอาศัยการเจริญสติแนวของหลวงพ่อเทียนหรือของหลวงปู่เทียนของเรา ก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ก็สามารถเป็นพยานอย่างพระพุทธเจ้าของเราตัดสลุตัดสลุพระธาพระอัญญากณทัญญาไม่รู้ตามแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีพยานหลักฐานว่าจะรู้ตามได้ว่าจะใช่หรือไม่นะเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสลุแล้วก็สแสวงหาสแสวงหาผู้สอนทำยังไงนะ่ะแสวงหาผู้ที่จะมารับรับธรรมมาจากพระองค์ได้ตัดสลุเอาไว้แล้วสแสวงหาปัญจวัคคี จึงได้มาสอนโปวดปัญจวัคคีนะจนปัญจวัคคีได้ได้รู้ธรรมะได้เข้าใจธรรมะอ่านะแล้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เพราะมีผู้เป็นพยานว่าทำที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นสามารถมีผู้รู้ตามมีผู้ขดประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็สามารถบรรลุล้วงทุกข์ได้มีเป็นพยานเราก็เหมือนกนะันเะนี่ยนะเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถเข้าใจตัวเอง สามารถที่รู้ตัวเองได้มากมากก็แสดงว่ารู้หลวงพ่อเทียนมากขึ้นอในหลักปฏิบัติอก็เลยพูดยากๆหน่อยเพราะว่าพูดภาษาพักกลางถ้าพูดภาษาวันอีสานวันเราก็ก็พูดได้แต่ว่าเพราะว่ากลัวจะไม่เข้าใจว่าคนทางกรุงเทพก็มีหรือว่าทางอื่นก็มีก็เลยพูดยากหน่อยอก็ไม่เป็นไรก็การที่กล่าวมาก็อคงจะสมควรเใช้เวลาได้ไหมชั่วโมงหนึ่งมั้ง พอคงจกชั่วโมงหนึ่งก็ดีไม่ต้องพูดมากปูดมากก็ลําบะพูวดน้อยๆชั่วโมงหนึ่งก็พอเมดเทปตลับหนึ่งพอดีหอยลืมบอกไว้อาเทพไหมหอยไม่อาเทปว่ะสิมาไว้อาเทปผมลืมบอกไว้เพราะว่าเมื่อจะอาเทพเ่อจะขายเสียงมาเล่นะเม่อจกขายเสียงขายกับขายก็ไม่นเทอดบอกก็ไม่นิถก็จะพอดีขายเสียงนั้นบมื่อใครดีมาเลว่า น้น่นเลยคุณอาต่าขึ้นเสียงในวันก้อที่ว่าจะคลายเสียง <c oughs> อะละบอกมากเรสมควรเก็บเวลาเนาะคำตองสรุปไปอย่างมันลายแล้วขอจบพอดีมาตองเนี้ย